พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบเอ็ดลำดับที่ยี่สิบหกโดยหลวงพ่ออินทไวสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สิบห้ามิถุนายนสอง6ันห้า้ยห้าสิบหกมีชื่อเรื่องว่าการใช้จ่ายของชายขายฟืนเมื่อเนี่ยเป็นวันที่สิบา มิถุนายนพุทธศักราช2556เมืออื่นเป็นวันเกิดหลวงพ่อสด ว, วัดปาบานเพิ่มนะเมื่อแรงเป็นวันสวดมนต์เย็นทำวัดเย็นสวดมนต์พระปริตามงคลแล้วก็ฟังธรรมเทศนาหนึ่งกันเมื่อแรงวันที่สิบหา วันที่สบหตอนเช้าทำบุญตักบาทถวายพระทหารพระสงฆ์วัดป่าบานเพิ่มผู้ใดศรัทธาญาติโนมผู้ใดสิไปสำหรับหลวงพ่อเดี๋ยวหลวงพอก็คิดเป็นสองอยางคือกันตามไม่จริงหลวงพ่ออาจจะไปตอนเสารมือเดี่ยวก็ได้ เนี่ยมาแลงให้ลูกให้หลานเขาวากันซะนี้ยมุสายัางหลวงพอ่อจุงตายยังคอยไปชงซองเบืองลูกเบื้องหลานไปฉันก้าต้มขานมแล้วก็เลิอกลากกันวะเนี่ยมาแล้งให้พวกคณะัติา ญ, ญาติโยมลูกหลานทั้งหลายทำพิธีหลวงพ่อจะไปทั้งสองเทือทงบวเถอเท่าเลยเด้อมีเขาเจ็ดสิบแดสิบเล หนุ่เยิ้ยงบุญไหวมากก็บอดีดอกเห็นลูกหลานทำซะความคิดัใดที่ทำใดแล้วก็มื่อเนี่ยนะพวกพระทั้งนะพระทางโยมนะในวัดในยินว่ทาทั้งโรงพยาบาลหน้ายุง่งหมอไกลเป็นที่มากฉีดยาไหวรัดแก่วัดให้บอแต่ลุงพ่อก็ว่าดีด้ อย่าแกวัดถึงจะระงับวไรทุกตัวก็เป็นการปองกันได้ในระยะหนึ่งในระดับหนึ่งเพราะว่าไหวลัดไหวลัดวัดเนี่ตามที่หลวงพ่อได้ฟังได้ฟังมาเมื่อหาหปีให้หลังแล้วเขาว่ายลัดวัดเนี่มันท่เหมืมันสองรยกว่าสองรกว่าตัว บัตนี้เขาก็จะเอาไหวลัดได่มารวบร่วมเราที่จะมากได้ไหวลัดวัดนกไหวรัดวัดหมูไหวรัดเยอรมันไหวลัดห่องงไหวรัดจีนไหวลัดไทยไหวลัดพม่าเขาควาละไหวลัดอินเดียเขาควานมาร่วมกันไม่เขาได้หลอดเดียวกันเพื่อป้องกันแต่ไหวลัดแนวอื่นๆื่นในละบาน อังกฤษอเมริกาดัดเชียไวรัสมันหลแค่ยังไงบางจานวนมันกันเพราะไรเพราะไรเพราะมันกันได้แต่เฉพาะตัวที่ออมาไซมันกันได้เฉพาะนี้แต่่าถึงอไรก็กได้หลอยู่ดีกว่าบฉีดอันนี้ก็กาสุดแทนแต่เนอกรฉีดไว้ก็ดีอันนี้ไวรัสกันแก้วัด มือเนีพนเชมาฉีดให้แต่ว่าทั้งกรุงเทพเนอะเป็นวัดระบาดแต่เดิมนีวัดระบาดมันก็วัดถึงกับลมกับตายหรอกแต่ก็บแนึ้นกันนะวัดบางย่างนะอันนี้ก็หมอพนเชมาฉีดยาให้แล้วก็สาล่ายใหญ่ของเฮาลงพอไปเบิงเมื่อวานเนี่ยมุ่งเกือบแล้ ว, ล, วลยะเมือเนีคือเจแล้วล่ะ งานก็ไปได้เรื่ อ, อ, อยๆโยกจะหน่อยกับมูช่ยช่วยกันเบิงันเช็ดแล้วก็คงจะเกิดประโยชน์สำหรับวัดของเฮาแต่ตอนที่เห็ดเนี่ยมันหนุ่งยากเพราะสุ่มควรบว่างานหยังบว่างานหยัางละ่ะตอนเห็ดเนี่ยมันยากโซสิสแล้วได้มันก็เกิดประโยชน์อย่างซาลาหลังนี้ละ่ะที่เฮายูเดียวนี ก่อนจีสร้างกับโอมเอนธรรมดาขึ้นกันก่อนที่ปลับสถานทีกว่าจะให้มันลาบมันเรียบมันวใชาสิทลาบเหลียบก็สิปรับได้สี่เอาใยกว้างขนาดไหนใช่สีเป็นทีบริเวณซาล่าจากนั้นก็ได้หาสร้างหาอย่างมาเห็ดสร้างกับโอมเอนสร้างในที่นี่อีกต่างหากสร้างจากเมืองอุดอรพนสมัยก่อน กว่าจะลดที่เขามากก็มัดมือมัดเว้นบุกขี่ตุงขี่โค่นเขามามันโมเมนถนนราดยางมาพักก็มาอยู่ในปา่าในดลงอีกสร้างก็คือถอดบานอถอดเฮื่อนอีกเผล อ, อเผลยังบกกินเหล่าขึ้ทะเลาะ ก, กันกับโบหูเนาะสร้างจากตางบานตางเมืองทะเลาะวิวาดกันหัวหลังคางแตกเข้าผู้เป็นหัวหนาวัาดเท่ากัน แล้วบรมร่มาธรรมดาคือกันคิดถึงหลูกถึงล้านถึงสร้างถึงหยาิถึงโยมนี่แหละก่อนจะมาเป็นศาลาก่อนจะมาเป็นวัดว่าศาสนาใดเนี่ยมั่นต ong ใดลงทุนตรงใดคิดพ่อแห้งคือกันก่อนจะได้เป็นวัดว่าศาสนาขึ้นมาใดแต่ผู้ที่เพิ่นคิดลวงหนาคิดก่อนเท่าเป็นกัตายไปก่อนแล้วก็มีหลายคน ตายด้วยอายุสังขารตายพเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยนี่แหละอันนี้ก็คือบรรยายให้ฟังว่าก่อนที่จะมาเป็นวัดว่าศาสน า, อาบอมนันติเสคขาถาเปา่าฝูดฝาดเข้ามาเลยก็เป็นซาลาเป็นวัดกันเทศใ ด, ดจังสันมันก็ดีหลายแหละแต่มันบมเป็นจังสันเพราะนั่นก่อนที่จะมาเป็นซาลาได้มันก็ต้อง เบิได้ซอยกันคนละใหม่ละมือสรุปแล้วลก็ต่อไปก็เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนผู้มาประพฤติธปฏิบัติธรรมยังพวกเฮาทั้งหลายจริงๆแหละพ่อมาเลยก็มาได้นั่งสนโมสนเง้าฝ่าฝนตกก็ได้พึ่งพาอาศัยอันนี้ก็คือวัดว่าศาสนา บ ว, าวาบัดใดเป็นทั้งสีทั้งมดนนะ่ะอันนี้คือการทำสาธารณประโยชน์แต่บางคนก็ไปเห็นเพิ่นเห็ดเพิ่นส่างกระแมนอยู่บางทีงบางอย่างก็เกินไปก็มีเห็ดจนเกินไปก็มีแต่เฮาจะไปตำนิทีเดียวก็บ่ได้เพราะว่า คนต้องคิดถึงอนาคตว่าต่อไปไพ่าภาคหนาจะเป็นจังไรคันว่าเฮ็ดพ่อเจาะเนี่ก็เฮ็ดแล้วเปล้วเล่เลืกยับเทืออีกเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดอีกเฮ็ดอีกเฮ็ดแล้วทันอเจาะไอ้แจะไปเลยแต่บางที่บคคิดว่างแผนไว้แต่บางข้นกับเฮ็ดใหญ่โพดจนเสียหายจะไปทีตํานิของคนอันนั้นก็มีคือกันโมมน ม, นมันมีโลกนะ ม, มันมีหลายอย่าง แต่สำหรับวัดของเฮ้าเนี่ยหลวงพ่อก็คืดคือกันว่าจิเฮ็ดจังไรมันจะพ่อมกขันเฮ็ดเข้าไปสัางขึ้นไปขันสั่งล่องรับค้นเกินไปก็ดูดกูกระไล่อยู่ขันบอยสั่งจะเล่ยก็แออัดเกินไปก็กระไล่อยู่เพราะนั้นวัดเท้านี่จึงเบิงๆบงถึงจะเป็นวัดระดับนี่ก็เถอะก็เป็นวัดที่ ค่อยคอยเป็นคอยไปหลวงพ่อว่ดรับคอยเป็นคอยไปได้วัดเท่านั้นกันมันเต็มแล้วก็คอยขยับออกคือกันกระพังตอห้างแตนสิ่งี่เฮ็ดห้างตอห้างแตนห้างเพิงขึ้นกันก็มันหลูกหลมันก็ขยายห่างออกแตนตอแตนขึ้นกันมันหลูกมันหลมันก็ขยายห่างออกเท่าที่จำเป็นบมมนที่สั่งเปลอบปรลาดเกิดความจำเป็น หั่งยืนออกมาบ่าหาเผงอยู่สองสามโตมันก็คงจะบวเหตุทางสันอันนี้คือกันวัดเท่าแต่ว่าซาล่าหลังนอกนี่ถ้าจะว่าไปเริมกเบิ้งก็คือก้ากระโดดพ่อทรงควรนเลหลวงพอบวแมนหลวงพอบกคึดหลวงพอก็ขึ้นคือกันว่าซาล่าหลังหนอกนี่ก้ากระโดดแต่ว่าถึงยังไรก็ตามท้าว่าผูกไม่เห็นเหตุการณ์จะเป็นงานกระถินกด็ดีงาน วันที่ยี่สิบเ็ดก็ดีถ้าเห็นมือนั่นแล้วก็ตตำนี้สาราลังนี้บ่ลงขึ้นกันเพราะเหตุใดเพราะมันแออัดเลอกเกินถ้าหากว่ามีออหยัง เ, เกิดขึ้นให้จังไรล่ะบัดมันค้อนออกทางเดียวเหยียบกันเลยเพะนั้นหลวงพ่อมากคิดหลวงพ่อในฐานะที่เป็นหลวงปู่หลวงตาเป็นเจ้าของพื้นที่ เฮ็ดจังใดจะอ้ํานวยความสะดวกไห้กับลูกกับล้านนะครับจะตัปัจจัยก็พาะเป็นพอไปบ่เดือดบรอ่ร้อนวัดถ้ำให้ผู้ใดเดือดรอ้อนก็พาะเป็นไปใดอยู่นาจะเฮ็ดพระเถรหลวงพ่อยังใดสั่งเฮ็ดซาลาลัางนันขึ้นมากเพื่อรองรับพี่น้องลูกลานต่อไปพ้าอภาคนาฮอันนี้ก็คือพูดถึงด่านวัตถุ สิ่งก่อสร้างเพื่อลองหลับอำนวยความสะดวกสําหรับพุทธบริษัทอย่างลูกหลานพวกเขานี่แหละแต่ว่าถึงยังในทางว่ามองเขามาทางด้านจิตใจบ้านการสร้างเรานั่นสร้างเพื่ออย่างสร้างเพื่อเป็นการบําเพ็ญกุศลบําเพ็ญทางด้านจิตใจอีกส่วนหนึ่งขึ้นกันเงืนข้าทรัพย์สมบัติของเฮ้าที่ใดมากก็คือ ทำปุ๋นทำท่านอีกส่วนหนึ่งองับนวยความสะดวกให้เจ้าของส่วนหนึ่งจากนั้นก็ซอยเหลือสาธารณะชอนอีกส่วนหนึ่งเก็บไปกินอีกส่วนหนึง่งพนั้นคนโบล้านพนยังบอกว่าพนังเปรียบเทียบเนาะใช่ทุกตะหาฟื้นเลี้ยงขอบขั้ว ตั้งแต่เกิดมาพอแม่ก็เคยหาฟืน้นกามาขายในเมืองสมัยก่อนมันบ่มีรถ10หล่อรถ6หล่อรถปิกอัพจังคู ม, มือนี่มันมีแต่ล่อกรับลอกเกวียนโดยมากเกวียนใส่ง่วนสองตัวแล้วก็เที่ยมแล้วก็นขนฟืน้นมาขายปวกใด ส, สื่อได้ก็ขายฟืน้นปกอยู่ในเมืองทำมาหาเลี้ยงชฉียผมว่ามีโอกาสที่จะไปหาฟืน้น ผู้หาฟื้นเนี่ก็ไปหาฟื้นมาขายให้หมู่หาโยไซกตาา็ตามปล า, าบางังตามปลาชาบังที่ใหม่มันตายโหนมากแต่ไส้ทุกตะผู้นึ่ขยนันเวลาหาฟื้นใส่ล่อแล้วย่งขึ้นไปนั่งเกวียนเกวียนอีกเลยไปนั่งบนเกวียนเลยย่งแบกไสบาอีกพอมันหล่นเลยมันหล่นเกวียนเหอเอาเสือกมัดไปแล้วมันยังยังสิล่นเกวียนอีกโยมไซลาย แสดงว่าขี่หลบเติบยุคลงพอวานะเห็นงัวสทีนักมันบาวารนาไปนี่ขึ้นไปรีกีเกียร์นี่ไปแบกสซบาไอีกก่อนึ่แบกฟื้นเซบายอีกมันยังร้องเพลงอีกได้ป่ะเนี่อสนุกสนานอีกร้องเพลงพันตลาดเข้าไปพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ใพระเจ้าแผ่นดินบันนอกคือกัรณ์นะวะเปิ้ลกัดบางที่เปิ้ลกันั่งข้อสร้างมาเป็นขบวนมาก เห็ุยังไงล่ะเกวียนมันก็พานไปพระราชาก็ไปทังนึงบางที่ก็ปลอมแปลงเป็นพระราชาออกมาก็เห็นทุกตะพวกเนี่ยขี่เกวียนมากก็ล่องล่ำท่ำเพลงมันบวถูกบวโศกเอ้ผู้อื่นกับมันกับเบิ้งก็มันยุ่ดอกแต่ว่าบักหนิมมันเป็นยังมันเป็นหนึ่งสี พระรา่ากับจากูจักคือกันว่าการค้าขายฟื้นของมันนี่ยแต่ละมือเนี่เศรษฐกิจบ้านเมืองเป็นยังไงมันขายฟื้นได้ดีบอดด่อใดเท่าไรกําไรเท่าไรคนไหนความใส่ใ จ, ใจฟืน้นมือหนึงมันขายแต่หลายเป็นไรปราดาธรรมดาผูกปกข้องกว่าจากูจักคือกันว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองของเขาช่วงเนี่มันเป็นจังใดปลาดซ่าก็ไปหาหมองหนึ่งเลยก็เอิน่นทุกขตะนี่เข้าไป ไปไปบอกบักขายฟื้นเขาพาเฮ้าด้วยคนเขาไปนั่งทางหมอนี่กัพระราชาเอื่นไปพบกับธรรมดาแล้วคนก็นที่มีโทษจังไเลยกูสิไปตัดใหม่ในปาเอาฟื้นมาขายพระราชาที่โล่งโทษกูก็บ่หูก็จะขึ้นไปไลยแนวกันคนผูน้ใหญ่สั่งเขาไปหาไงพ่อเขาไปหาอะไรกันพระราชาก็ถามเฮ้ยนุม่ม แ, แกหาฟืน้น เลี้ยงชีพใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะหามาหนไปไหนแล้วหามาแ ต, แต่พอแม่ผลแล้วพอแม่พาดดาเนินมากผมก็ได้ดําเนินตามกอครับเป็นไงละ่ะขายดีไหมเพรได้เลี้ยงชีพอยู่ครับแล้วขายฟื้นเนี่ยเบิงเบิงเรมันผิดแปลกแตกต่างกว่าคนทั้งหลายทั้งขายฟื้นพร้อมทั้งแบกไสบาพร้อม ท, ทั้งทีจะมีความทุกข์ยังลองล่ำทํ า, าเพลงอีกทางหากเล่าก็เลยแปลกใจก็เลยเอือนมาถามเลยละเป็นอะไรการข้องฉีบการทามาค้าขายขายฟื้นได้กบไรไหมกับพ่อเลี้ยงฉีบได้ยู่ครับได้พ่อได้เก็บยู่ครับแล้วแต่แกหาเงินมาได้แกแกเอาไปเฮ็ดอย่างไรแดละ่ะเมื่อได้เงินแล้ว ทางตุกตานี่ยก็บอกว่าผมแบ่งเป็นชวนๆครับนั่นแหละแบ่งเป็นส่วนๆแบ่งจังไรอันนึง่งชวนหนึ่งกับแบ่งไปบูชาเทวดาครับ อ, อ่แต่ก็ชวนหนึ่งเอาไปทิมลงแม่น้าสมุทรทะเลครับอืมส่วนหนึ่งก็ไปเอาไปฝังดิน ไหวเพื่อใช้ในอนาคตคือไปฝากธานาคารทางธานาคะกูมือนเนี่ยไปแต่ควรมันเป็นเงิ่อนเนี่ยไปฟังดินไหวอ่อส่วนนึ่งผมก็ไปให้เรี่ยงพวกปา ก, ปากงูเฮางูสาครับมันใชมัดชกมาตอดผมครับผมก็เลยเรียงมั่นครับออเอการที่เธอพูดออกมาเนห้องข็งงงขึ้นกันแล้วว่า ไม่เป็นในไปหายหายงูหองงูสาเกินเอาไปนั่นจะไปหาหาเงินมาก็ดอกก็เดีอนไปหาทิมลูกนามหาสมุทรทะเลอธิบายให้เข้าฟังดูงเข้ายังบอเข้าใจในเรื่องเนี้พออธิบายให้ฟังเข้าฟังได้ไหมได้พระเจ้าข่าอา่าวาวังน้งบูชาเทวดาคืออย่างคือผมหาเงินมาได้ผมก็แบงแบงอับไปบูชาเทวดาก็คือไหพอ่พ่อไห้แม่พอ่อแม่น เปรียบเสมือนว่าเป็นผู้พระคุ้นอย่างสูงบุพ ก, กาลีบุคคลผูมิอุปกรณ์เมื่อได้ทราบสมบัติมาแล้วก็ต้องได้แบ่งให้พอ่อให้แม่ให้ได้ใส่ส่วนหนึ่งครับครับผมเออเอาเข้าใจ mm hmm. แล้วอีกส่วนหนึ่งเอาไปฝังดินแหละเอาไปฝังดินก็คือเอาไปเก็บไว้ต่อไปเมื่อเท่าเ่าแก่ชลามากทําการทํางานบอ่อได้ฮ่า uh ก็จะได้ นำเงินก่อนนั้นมาใช้จ่ายเมื่ออายุแกเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยพระเจ้าข่าเออเอาออันหนึง่งส่วนหนึ่งล่ะส่วนหนึ่งเอาไปถิมลงน้ำ ม, มหาสมุทรทะเลกับผมอ่านั่นแหละไปถิมอยู่ในหาเงินยากก็รอก็เดีย๋ยไปหาถิมอยู่ในหาถิมเงินในมหาสมุทรทะเลกับผมคือถิมมหาสมุทรทะเลก็คือเวลาใดมากก็มากกินนั่นแหละมากกินมาใช้ สำหรับตนเองกินอย่างไดนใสอจ่างไหนมันก็พอเต็มบอบผอกบพูนคือกันกับย่นลงน้ามหาสมุทรทะเลเน่ยตัวเองกินเองใสเองอืมแล้วอันนึงอีกที่ว่า ง, งูเขา้ากุ้สาเด็กู้เขากุ้สานี่ยคือได้มาเลยก็ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียคันบ่ให้เขาบ่อใดเด็เขาว่าเขาวาเข า, า, เขาว่าไหลเออ ย่ำหมึกเป็นย่ำบัวใดก็หาความสุขบ่วใดพ่นกลู่เมียเขาขาดแค่นการเป็นอยู่ของเขาบเด็ะรับความสะดวกสบายก็เมื่อนกับหู้เฮาหู้าเนี่ยตอดหูตอ ด, ต, อดตาจะตลอดผมก็ต้องได้แบงให้เขาอออือพระราชาเข้าใจเข้าใจเออเอาการดำเนินชีวิตอย่างนี้ถูกต้องแล้วทำต่อไปนะ ทำให้ถูกต้องสม่ำเสมอนะแสดงว่าเป็นผู้มีปัญญาที่เดียวเนี่ยอันนี้คือพระราชาพันถามการข้องชีพของราชฎอนของเพลนจากนั้ น, พนเพลนก็เลยเอาทุกขตาของเขาไปเป็นเสนาอมาตผู้หนึ่งเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ซอยราชาการงานเมืองของเพลนในระดับหนึ่งเพราะแสดงว่าเป็นผู้มีปัญญาผู้ีน่ง หูจักแบงใายแบงขว้าแบงหนาแบงหลังหูจักการใส่ส้อยหูจักการจัด ก, การกับทรัพย์สมบัติของตัวเองทำอย่างสิ่งทำึรงที่เราถูกต้องไปปราไ่ชาญ ย, ยอมรับถูกต้องทำอย่างสิ่นี่แหละอันนี้ก็คือถ้ำคําสอนมาในพระไตรปิฎกจว่าชาดกชาดกเป็นตัวอย่างเป็นเรื่องเล่า ที่ผัวเข้าจะต้องได้ศึกษาถึงจะพวกเข้าจะบวชถ้จังช่นเปี้ยมันก็เป็นแนวทางขึ้นกันถ้าตามไม่จริงมันก็เป็นแนวท่างย่างดีขึ้นกันการส่องแสวงหาทัพย์มาแล้วก็ใส่ลุยชุยแชกเข่ามือใส่ออกมือขวาเพาื่อนสุดพ่อมัดเงินเขานี่ยนะก็ซอไปหาผู้นั้นก็อซอไปหาผู้นี้ไปหาพี่หาน้องหาพอ่อหาแม่ หาว้งสาค้าน า, ญญาิทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนไปหมดทั้งที่ตัวเองกะหนาที่การงานก็เพาะเป็นไปได้อยู่เชียงเหล่านี่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนแสดงว่าตัวเองบริหารจัดการกับตัวเองบ่ได้นี่แหละเขาว่าไปเรียนบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจธุรกิจธุรการอพอเฮี้ยนเขาบ้านาะไปทําการทํางานบริหาร ของเขาเพ้อเเจ่งของเขาอีกต่างหากเพราะบงจักการบริหารนะ่ะขนาดบริหารเจ้าของก็ยังบริหารบร่ได้เงืนเดือนของเฮ้ามื อ, น, อ น, นึ่งได้เท่าไรเดือนนึ่งได้เท่าไรแล้วก็หารเป็นมือมือหนึ่งได้เท่าไรเฮ้าสีแบงจะได้เงื่นเดือนของเฮ้าของเฮ้ามือเ น, นี่ยเฮ้าสีแบงจะไหนค่าน้ำค้าไฟค่ารถ คาโทรศัพท์คาลุกไส้หลุกสาไปเห็นหนังสือคาเทิมคาแม่บ้านทำอาหารเลี่ยงขอบรั่วึ่งรอหนีเฮ้าก็ต้องหูจักมัดคือกันว่าการบริหารจัดการในขอบขั่วของเฮ้านี่ใส่จังใดแต่สรุปเรา่าให้มันเกินคันเฮ้าขี่คานหาเฮ้าก็ต้องใส่ประหยัด คณะว่าเข้าขยันหาเออเขบอกว่ากั น, นคนขยันหาหาเงินไในมือละมือละมือเลยบาทามาใส่ไม่ว่าใส่มือละหาบาทเนี่ยเจ้อันนั้นเขบอถูกต้องขึ้นกันเ อ, อพราะเหตุใดเออพราะว่าลังแกเบียดเบียนตัวเองเ อ, อลังแกเบียดเบียนผู้เกี่ยวข้องออสจให้ยไผก็หายได้เงินหาบาทเป็นหมดเลแต่จะพอกินก็นยังบอกอิ่มคนะว่าคนขีดทีขันกีดนี่ทีเหนียว ผมมีผีมีน้องผมมีพักมีพวกคือเกราเพราะว่าเข้าเก็บไปหลายแต่การน้ำว่ามีอะไรใส่มัดข้นก็ชอบแหะแต่แต่ว่าต่อไปไพ่ภาคนาล่ะเวลาเจ็บไข่ได้ป่วยพ่อแม่เจ็บไข่ได้ปว่วยล่ะเข้าจะเอาเงินไสมาดูแลพ่อแม่มาดูแลผู้กเกี่ยวของมาดูแลเจ้าของมาดูแล ก, กิจการของเจ้าของเพราะผมมีเงินเก็บจะเลย อันนี้ก็บอถูกต้องคือสุดตรงไปทางหนึ่งขึ้กันซุดตรงไปทางเก็บกระบอดีสุดตรงไปทา ง, ง, งใส่มากกระบอดีสรุปแล้วก็คือให้รู้จักหาให้หูให้หูจักเก็บให้หูจักใส่นี่แหละเศรษฐกิจพ่อเพียงให้ฟังเอาไว้ลูกหลานทุกทุกขู่ทุกคนแต่ น, นี้ก็มาเว่าถึงไฟพระขึ้นกันนะไฟพระขึ้นกันสมัยเป็นน่อยเป็นนมเข้าก็ต้องศึกษาอ่านตำรับตำราพระวจีชา ชีพของเข้าหรือว่าของเรื่องของเข้าเนี่ยคือนักพจนักบวชเนี่ยมีหน้าทียังอบอแมนที่เป็นนักพดนักบวชนอนอยู่ในวัดเอาเมื่อกลายนาภาพกพุ่นคิดจะทํามากค่าขายพุ่นเผอเผยยังคิดไปมัรกลูกสาวชาวบ้านเขาอีกทั้งที่ตัวเองมึกอยู่ในวัดเอาเมื่อกลายนาผากเนี่ยมันคิดยังสัน่นคิดใจยังไหลเพราะนั้นเขาก็ต้องเบิ้งนาเรื่องของจบของอีก เฮาไม่นาทีอย่างเฮาเป็นพระเฮาเป็นนักบวชเฮาต้องเบิง้งหนังสือเบิ้งตำรับตำราตรวจตราพระไตรปิฎกพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพันสอนจังไรพ่อแม่คู่บ่ายจานพิันสอนไว้จังไรธรรมาลิคิดของเพินเนี่ยพันบอกว่าจังไรอันนี้เฮาก็ต้องศึกษาในรายละเอียดจากนั้นก็นํามาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายว่าใจาใจของเฮา แต่เราหมื่นเข้าคิดเรื่องอยัง้งคิดมันมีประโยชน์ปอ้อหรือมันมีโทษซึ่งเรานี่เข้าก็ต้องเด็กเบิ้งเจ้าของคือเป็นนักพจน์นักบวชข้นขาน้คิดจังสี่ปฏิบัติจังสี่นั่นแหะความเจริญรุ่งเรืองในจิตในใจความสงบลมเย็นเป็นสุขในจิตในใจของเขาก็จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าถ้ำถูกต้องแนตะ่ทําว่าถูกต้องก็ยังวานะ เศรษฐกิจกระโบพ่อเพียงแนวความคิดของเฮาออกนอกลูนอกทางโโขใจอยู่ตลอดเพราะเหตุใดเพราะว่าเฮาว่างใจโบถูกเฮาว่างความคิดโบถูกปล่อยจิตปล่อยใจปล่อยปัจจารเล่ในความคิดของเจ้าของเพรา ะ, ะนั้นสิ่งเรานี่ขอฝากไปกับทัทศาญาติโยมฝากไปกับพระสงฆ์หลูกหลานทุกทุกคนนั่นแหะสรุปแล้วก็คือให้หูจัก สถานะและการว่างจิตว่างใจของเจ้าของการว่างจิตว่างใจถูกแล้วนั่นแหละความเจรความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นกับพวกเข้าทุกมูทุกเหล่านะมือในให้แนวความคิดแนวหนึ่งสำหรับพวกลูกหลานอตอนนี้ไปรับพร น, นะน้ำาวานในหน้า